เขด่าเราเสียเสียหายอู้โมหะไลจริงๆเรายังไม่ได้เร็วถึงขนาดนั้นก็ยังด่าอย่านี้นะเอ้ามันคิดออกขนาดนี้ไหมโดยมากไม่ออกเลยใช่ไหมนี่ปัญญามันไม่เกิดมันไม่สามารถเจาะทะลุทะลวงได้ก็บอกมันเหมือนเหมือนธนูไงเหมือนลูกธนูไงยิงทะลุดทะลวงได้แม้ไปในที่มืดกันยังยิงโขกได้ไม่ผิดพลาดเนี่ยปัญญาก็เหมือนการเจาะทะลุดทะลวงที่มืดได้ก้อนนี้เรามองผ่านเราเห็นพระเจ้าไม่ได้ มาแต่ก่อนฉันข้าวเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าพระบรมศาสดากําลังอนุค้อเกื้อกูลออมาอยู่เห็นได้โยมแล้วอาหารมาใส่ออกมา เ, เรื่อยเลยนี่สมัยก่อนเนี่ยกลัวจะมองให้เห็นกลัวจะเจาะทะลุทะลวงว่าพระบรมศาสดามีพระหมาหากรุณาธิคุณอย่างเหลือเกินแม้เราเนี่ยประพฤติถูกบ้างผิดบ้างพระองค์ก็ยังมีพระหมาหากรุณาธิคุณแก่ศาตว์ผู้ต่ําต้ อ, อยเช่นเราเช่นนี้ ไม่ลาเว้นเราเพราะเรายังไม่ลาเว้นท่านเราน้อมถึงแม้บางครั้งผิดบางครั้งถูกเนี่ยนะพระองค์ก็ยังกรุณาเราอยู่ตลอดยังมีอาหารดูแลให้ยามป่วยมียาให้ไม่มีฝนตกมีที่อยู่อาศัยให้ถามว่าใครที่จะกรุณาเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วเนี่ยแต่ก่อนมองเห็นพระบรมศ า, ศาสดาทรงท่สอนแนะนา เวลาจะมาจะเดินพระองค์ก็ทซิมพั่มสอนตลอดเธอจงเดินอย่างนี้จงมณสิการอย่างนี้ทอดสายตาอย่างนี้เวลาจะรับบาตรพระองค์ก็ะพริมสอนตลอดสายตาทอดอย่างนี้รับบาตรอย่างนี้วางจิบอย่างนี้เวลาจะฉันอาหารพระองค์ก็บอกฉันอาหารอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เวลาจะจงนุ่งผ้าห่มผ้าจีวรสบงต่างๆพระองค์ก็ให้พิจารณาไขว้ควรอย่างนี้ถามใครที่จะตามพั่มสอนมาได้ตลอดเวลาเท่ากับพระลมสาดดามีไหม ไม่มีเลยอ่ะแต่ก่อนเห็นัหมไม่เห็นคุณของพระศาสดาพระศาสดามีพระคุณอย่างมากมายอย่างเหลือล้นขนาดเนี้ยเราจะคิดชั่วแต่ละครั้งว่าสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอเธอต้องคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดความดีแล้วไปติดอยู่ความดีว่าอันนี้ยังไม่ใช่ฟังเธอต้องทะลุทะลวงให้ถึงเห็นไหมยามเราประมาทนอนมากบอกว่าความเกลียดค้านเป็นอันตรายนะ ไม่มีสาวกองคไหนของตศาคตเลยบรรลุในการเกียรตินมีใครที่ท่ามสอนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไหมไม่มีจะไม่มีพระปรมาสดาแม้ปัจจุบันนี้ก็กำลังท่าสอนอยู่และเราล่ะเห็นคุณของพระสัสดาแบบนี้ไหมไต้เห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ทุกขณะนั่นแหละพระปรมาสดาท่าสอนให้กำลังใจเราเมื่อเราทุกข์ ยามเราโงกง่วงพระศาสดาก็บอกลุกขึ้นล้างหน้าย้อนหูใช่ไหมมนาจิกาอโลกสัญญายามที่งุดหงิดปุ้งท่านก็น้อมบอกให้เจริญเมตตายามที่มีใจกำหนดไม่แน่วิจิกิชาเกิดขึ้นก็บอกว่าจงละวิจิกิิชา6หกอย่างถามว่าใครอ่ะที่จะสอนละเอียดละอและคอยข้าสอนทุกียาบท เดินอย่างนี้นั่งอย่างนี้นอนอย่างนี้ยืนอย่างนี้ก้าวไปถอยกลับคูเข้าเหยียดออกแลตรงแลเหลียวเป็นต้นเหะไรเนี่ยเพราะพระบรมศาสดาเนี่ยคอยพร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดโลภะเกิดขึ้นพระบรมศาสดาบอกว่าให้ไข่ควรให้พิจารณาด้วยความเป็นของปฏิกรูเนี่ยผมก็ไม่ปฏิกูลขนไม่เออผมก็ปฏิกูลขนก็ปฏิกูลยังไงไล่ไปตามหลับผมขนแล็บปัน บอกเอาธาตุดินยี่สิบธาตุน้ำสิบสองธาตุไฟสี่ธาตุลมหกโอทาส่าสิบสองถือใครควรนะบดิกูลยังไงก็จะละราคาได้โทส่าเกิดขึ้นเธอหนึกถึงกกจูประมาสูตรนี่ว่างั้นนะว่าพูดด้วยเมตตาหรือพูดโดยโทส่าเป็นต้นเหล่านี้พูดมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยามที่ถีนะ้มิท้าเกิดขึ้นก็ให้ใครควรนาะโล ก, กสัญญายามที่อุทะจกักุกุจักเกิดขึ้นก็ให้ตรึกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ยามวิจิกิจชาเกิดขึ้นก็ให้กําหนดเนียให้แน่ลงในคําสอนของพระบรมศาสดายามโมหะเกิดขึ้นก็ให้อยู่ใกล้ครูยังไงเนี่ยพระบรมศาสดาก็บอกพร่ำสอนตลอดมีไหมบุคคลในโลกสอนละเอียดขนาดนั้นแต่เราต่างหากที่หนวกที่บอดใช่ไหมใช่ไหมใช้อมาว่าตัวเองเนี่ย ออกมาบอกอเรานี่เป็นคนหนวกด้วยนี่นเนี่ยไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าสอนบอดด้วยนะไม่เห็นพระพุทธเจ้าในที่ทุกสถานเนี่ยไม่เห็นอีกยอมแล้วเห็นหรือยังแต่เห็นก็เลยตาเริ่มสว่างขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ก่อนมันมืดมานานเนะี่ยไม่เห็นจริงๆอ่ะพระบรมศ า, าสดาก็สร้าง พระชินเจ้าก็คือทรงชนะกิเลสมานมจุมารพิษสังขารมานแล้วก็เทพุทธมารสมุปปจิตตุสุพังก็คือว่าผู้สั่งสมคุณความดีไว้แล้วคือสั่งสมบรรเพนก็คือว่าอิตธผลอันงามไม่สำเร็จกหมายถึงบุญสัพโลกะบรรทุงก็คือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ผู้เดียวของโลกทั้งปวงพระพรมศาสดาก็เป็นเผ่าพันธุ์ของโลก ผู้ไม่มีสหายของสัตว์โลกแม้ทั้งสิ้นเผ่าพันธ์ก็ได้แก่อัตภาพเดียวเป็นเช่นหนึ่งเดียวนะยของพระพุท ธ, ธเจ้าพราะองค์ใดเป็นผู้ได้รับความสุขในกาวที่มีความสุขเป็นผู้ได้รับความทุกข์ในคราวที่มีความทุกข์กพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้เป็นเผ่าพันธ์หนึ่งเพราะความผูกพันดุจบิดาของบุตรบิดานั้นเป็นเผ่าพันธุ์ของบุตรหลานเป็นต้นของตนไม่เป็นเผ่าพันธุ์ของชนเราอื่น ส่วนพรบริมศา ส, สดานั้นเน่ะเป็นเผ่าพันธุ์ของสัตว์ทั้งปวงจริงไหมพระบรมศา ส, สดาเป็นเผ่าพันธุ์ของเราทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใดคือจะเป็นเพลทว่าถามว่าพระเจ้าเนี่ยกรุณาพระเทวทัศน์พระเทวทัศน์ปฏิสลายพูะเจ้านี่กรุณาใช่ไหมแล้วท่านให้อะไรก็ให้ปัจเจกับโพธิญาณไงเห็นไหมอ้าวเธอประฏิสลายเราไม่เป็นไร แต่อัธยาศัยที่เราเกื้อกูลเธอมาจนเธอได้อัธยาศัยทรงพัไตรยปิฎกนะพระเทวทัศนนี่ยทรงพรไตรยปิฎกเนะืได้ภิญญาห้านะได้บิญญาห้าโลคยาพิญญาด้วยอัธยาศัยเคร่งด้วยนะถ้าสรุปแล้วเคร่งกว่าพระปัจจุบันนะเอาไปดูดิวัตถุห้าประการเนี่ยพระเทวทัศน์เนี่ย ที่ขอท่านทําได้ด้วยนะไม่ใช้ไม่ได้นะแต่ท่านทําไม่ได้อีกเดียวคือมิจฉาทิฏฐิเดนะี๋ยแล้วเนี้นถอนไม่ได้พระเทวทัศน์ไม่ใช่เป็นพระไม่เคร้งตํามายกปัจจุบันนี่ดังเป็นอย่างนั้นจริงๆพระเทวทัศน์นี่คร่งข้อปฏิบัตินี่แข่งเป๊กแต่มิจฉาทิฏฐินั่นเนะ่ะความอยากใหญ่ความที่ราคาในใจมาเกิดขึ้นภายหลังของท่านเนี ที่ทำลายท่านใช่ไหนางกินจะมานวิกานางมาคันธิยาพระมณีหรือโอรสลาหุนเนะี่ยพระบรมศาสดาหเห็นพวกเขาทั้งหมดในการที่พวกเขามีความสุขก็ทรงมีความบันเทิงด้วยมุทิตาเอาเห็นท่านเหล่านั้นจกักท่านคิดถึงพระเทวทัศน์เนี่ยท่านกรุณาใช่แต่ถ้าคิดบอกว่าต่อไปจะได้เป็นพายปเจพระพุทธเจ้ามีนามว่าอธิสาระท่านมุทิตาหมนั่นน่ะท่านมุทิตาอย่างนี้ ถ้าเห็นพวกเราเนี่ยตอนนี้พระเจ้าการุณาหรือมุทิตาอย่างนี้จะพระองค์จะมุทิตาหรือกรุณาจักไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหมเพระเาะอนาคตไม่รู้จะขึ้นตามลงสูงขึ้นสูงก็ไม่รู้เดี๋ยลงต่ำเลยขึ้นสูงทรงมีพราไทยเนี่ยด้วยพระมหากรุณามีความลําบากเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์ผู้เดียวของโลกนาหูแปลว่าไม่มีคือไม่ไม่ได้มีแล้ว เยนาปีกกับพระองค์ใดพุทธเจ้านั่นเน่คือคำว่าปีสับบางเห่งท่านก็ใช้ในความหมายคำว่ายกย่องคำว่ายกย่องตุโรยะก็คือผู้เปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ของกุศลต่างๆเหล่านี้เบ็ดเสร็จนะนะสรุปตรงนี้ก็คือว่าพระมหาบุรุษเนี่ยนะท่านทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวไกลนะ ทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระเจ้าสุดสมเป็นต้นกม็มีเป็นพระโพธิสัตว์โดยพระชาติเป็นต้นโวนชื่อว่าสุปการะกะกม็มีเป็นต้นนี่อย่างรายละเอียดยิงไม่เล่าเป็นโมโหสพส ด, ส ด, สดเป็นต้นเหรอเนี่ยนะทีนี้ในคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยนะถามบอกว่ากุลบุตร ก็หมายความว่าพระบรมศาสดาเนี่ยนะท่านเปรียบเสมือนบอกว่าบัตรนี้เปรียบเสมือนนายขุนคลังผู้ฉลาดเก็บเครื่องประดับเนี่ยของพระเจ้าจักรพรรดิใส่ไว้ในพระอบแล้วเนี่ยนะก็มอบให้ปรินายกแก้วแล้วก็ทูลบอกว่าขอพระองค์โปรดรักษาพระอบแก้วนี้ไว้เถิดเป็นต้นปริยนายกแก้วรับพระอบมาแล้วก็รักษาไว้เมื่อพระบีดาสวรรคตก็ได้พระเจ้าจักรพรรดิทรงประดับเครื่องประดับนั้นเป็นเครื่องอยู่ เป็นผู้ครองโลกชั้นใดก็เป็นดุดขุนคังเจ็บเครื่องประดับคือพระคุณของพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงพร้อมทั้งผู้ชนะหาที่สุดไม่ได้ใส่ไว้ในพระโอษพร้อมทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้พระบรมศาสด า, าสเสด็จ ด, ดับขันพระพรินิพานในรู ป, ปรกายในรู ป, ปรกายท่านใช่ไหมแต่โดยพระธรรมคาสอนเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอา น, นนท์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะั่นทำแล้วินัยที่ตะทาคต แสดงแล้วบัญญัติแล้วทําแล้ววินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราถามว่าเราฟังแค่นี้เข้าใจไหมถ้ายังไม่เข้าใจท่านก็ขยายต่อเลยบอกว่าพระวินัยจบิดอกสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์ถ้าศาสดาล่วงไปแล้วพระวินัยบิดอกจะสั่งสอนเธอจะเป็นศาสดาแทนเราพระสุตตานจะบิดอกสองหมื่นหนึ่งพันทัพธรรมขันธนะ์เนี่ยหลังจากตถาคตล่วงรับไปแล้วเนี่ย ทำวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาทำกิจศาสดาแทนเราพระวิธรรมสองหมืนสี่พันพระธรรมสองพันสองหมื่นสองหมื่นสี่พันพระธระรมขันสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันไอ้สักงงงในชกคนนี้ให้ดีนะพวกเรารู้กันเนี่ยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราล่วงไปแล้วสรุปแล้วตอนเนี้ย ท่านก็บอกว่าขันก็นเลยมาขยายบอกว่าพระบรมศาสาศดานั้นปรินิพานไปหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระองค์จะทำกิจาศาสดาหลังการล่วงไปแห่งเราไอ ต, ตอนนี้ราศาสดาํำกิจอยู่ไหมทำไม่ทำแล้วเราเห็นาศาสดากำลังทำกิจไหมตรงนี้สำคัญตรงที่เห็นไม่เห็นถ้าจะเห็นเวลาจะให้ทาน อโลภพาทานก็เกิดเจตนาทานก็เกิดก็พระาศาสดาก็พร่ำสอนว่าจงวางจิตอย่างนี้ถึงจะเป็นอโลภพาทานอย่างนี้เป็นเจตนาทานใครใควรในวัตถุอย่างนี้เป็นวัตถุทานใครควรผู้รับอย่างนี้เป็นปฏิฆาหกเป็นทายกเล็กผู้ให้กับผู้รับหนึ่งใครใควรในถูกใช่ไหมพระศาสดาพร่ำสอนก็เห็นพระศาสดากําลังสอนเมทานกุศลพาษีนกุศลกับเจตนาศีลเจรสิกสังวรนวีติกมรก็เห็นอีก พอสมาธิและปัญญาเป็นต้นก็เข้าใจอย่างของแท้เลยอย่างนั้นก็แล้วเห็นพระศ า, าสดาพร่ธมสอนพระศาสดาสอนจริงๆแต่ประเด็นจะถามว่าเราได้ปูอาสนะให้พระบรมศาสดาประทับนั่งใกล้เราไหมเนี่ยถ้าไม่ปูก็กลับไปปูสิครไปจัดอาสนะถวายท่านท่านจะได้นั่งประทับไว้ในห้องใจเราอ่ะแล้วเราจะได้เห็นพระบรมศาสดาพระธมสอนเราอยู่ตลอดไม่ว่าจะทํากิจใดๆก็แล้วแต่ แต่สําคัญเราไม่ยอมปูอาสนะไม่ยอมมาลัทธนาท่านให้นั่งแล้วหนีท่านนี่เข้าห้างอยู่เลยนี่ก็จบเลยยังนี่จบเลยเนี่ยเดีเนี้ก็เลยไม่เห็นพระาศาสดาพระมสอนอยู่ตลอดเวลาแล้วถามว่าแล้วใครจะช่วยเราได้ใครละเว้นพระพุทธเจ้าถ้าเราละเว้นพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าละเว้นเราไหมก็ละเว้นเราเพราะเราไปละเว้นนั่นก่อน แต่ถ้าเราไม่ล้าเว้นพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่ล้าเว้นเราตอนเราไม่เข้าใจยังไงบอกเราจะเฝ้าพระเจ้าอ๋อเฮอเพียนไปเหอะเดี๋ยวพระเจ้าก็ทํ่สอนเราเข้าใจจนได้บรรลุจนหน้าเอาที่เพียนพยายามไปสิเดินพระคิดถึงที่พระเจ้าสอนให้เดินยังไงยืนนั่งนอนก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกออกใช่ไหมกินดืม่มเคี้ยวลิ้ม ชาวะรับปัสสาวะเนี่ยทรงพ้าสังคติบาทจีวรยืนเดินนั่งนอนตื่นหละบพูดี้ท้ารู้ว่าพระปรมาสดาบอกยังไงก็พร่ำฟังท่านสิแล้วท่านจะได้ดีกันหมดแล้วแต่ก่อนไม่ได้คิดอย่างนี้ใช่ไหมไม่คิดปูอานะให้พระองค์ประทับแล้วก็ให้พระองค์พร่ำสอนแล้วตลอดบางคนก็บอกว่าโยมเนี่ยศึกษาพระธรรมมาสิบปีแล้วมาฟังเฉย มาไม่ค่อยคิดสะดุ้งสะเทือนหรอกแต่แต่ก็เดิมากโหโยมสิบปีนะโยงเก่งเกงๆมาก็ไล่ถามไปในบรรดาสิบปีวันหนึ่งเรียนกี่ชั่วโมงอ๋อสักยุงเลยตรนี้โอ้โหอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งเลยท่านครั้งละกี่ชั่วโมงอาทิตย์ละสองชั่วโมงอาทิตย์ละสองชั่วโมงวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงใช่ไหม อลองนั่งนับดิ้นนับจะปีนีจ้จะได้จะได้เทขาจะได้ครบปีไหมเนี่ยถ้าว่าสิบปีไหมจะได้ครบปีไหมเนี่ยยุ่งเลยเรียนแค่อาทิตย์สองชั่วโมงแล้วนอกนั้นแหละแล้วอาทิตย์หนึ่งมีกี่ชั่วโมงโอ่ะเขาฟังทำเนี่ยก็ฟังทุกวันก็ เ, เรียนธรรมะเนี่ยเขเรียนทุกวันแม้แต่ไปทํางานก็ยังพระวุฒิญา้ิยาไปด้วยเลยแล้วถ้าอย่างนี้ที่เชื่อเรียนมาสิบปี อาวถ้าสิบปีได้ดีบได้ดีกว่านี้เยอะไหมโอ้ยได้ดีบได้ดีกว่านี้เยอะนี่เราทิ้งพระเจ้ า, าเป็นระยะระยะระหว่างทิ้งกันอยู่ยุคเฝ้าพระเจ้ า, านี่เราทิ้งมากกว่างแล้วยิ่จะถือว่าเรียนสิบปีได้ไงยังเมื่อพระบิดาสวรรคตรเป็นต้นหรือพระบรมศาสดาเนะี่ยตอนนี้พระบรมศาสดาอยู่พระโยคาวาจ ร, รหรือผู้ศึกษาพระธรรมทั้งหลายก็รับพระอบคื อ, อกลิ่นหอมโดยความเคารพเนี่ยด้วยศีรษะรักษาไว้โดยประการแห่งภาวนาปฏิบัติตามคําสอนเนี่ย ถึงพุทธภูมิโดยลำดับเป็นผู้ชนะหาที่สุดไม่ได้ประดับเครื่องประดับคือคุณนั้นแล้วก็กระทำโลกทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเป็นหนึ่งเดียวรุ่งเรืองเป็นใหญ่ในโลกเช่นั้นตรงนี้ก็คือว่าเราท่านทั้งหลายจะมาศึกษาคําสอนของพระบรมศาสดาตรงนี้แล้วก็คือทําความเข้าใจก็คือว่าในคําสอนของพระบรมศาสดาที่ท่านกล่าวเอาไว้บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงสร้างบารมีใช่ไหม บารมีเสียสงขัยแปดสสงขายสิบหสงขั ย, ยที่นับแบบอย่างได้รับพุทธบุตรกรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ ย, เ, ยเมื่อพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วท่านถึงบอกบอกว่าบุคคลที่ศึกษาทำสอนของพระบรมศาสดาโดยความเคารพเป็นต้นเหล่านี้แล้วเนี่ยนะที่ท่านกล่าวไว้บอกว่ากุลบุตรปุรุชนนะ เราท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่เป็นกัลยาณพุทธชนนะที่ท่านกล่าวเขาไว้บอกว่าพุทธเจ้าผู้เป็นผ่าพันธ์ของพระอาทิตย์ได้ทรงแสดงพุรุธชนไว้สองประเภทก็คือกัลยาณพุทธชนและอันท้าพุทธชนท่านถ้าในพุทธชนสองประเภทนะั้นพุทธชนใดไม่มีโยนิโสมันไดสิการในการเรียนการสอบถามในพระธรรมเลยไม่ได้เรียนไม่ได้สอบถามในเรื่องของขันธ์นยิยตนาท่าสัจจินทรียสัจจะปฏิจจสม บ, บาทเป็นต้น ปุถุชนเหล่านั้นเชื่อว่าอันทน้าปุถชนเชื่อเป็นผู้มืดบอดนะแต่ถ้ากัลยาบุรุชนก็คืออย่างเราท่านทั้งหลายใช่ไหมตั้งใจที่จะฟังพุทธคุณคุณของพระบรมศาสดาตั้งใจจะฟังในเรื่องของขันธธาตุอยายทานะสัจจะอินทร์ปฏิจจารเป็นต้นเหล่าเนี้ยในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากัลยาณบุรุชนฉะนั้นกัลยาณบุรุชนนี่นแหละควรที่จะเข้าใจพระพุทธเจ้าก่อนที่เราจะศึกษา ศึกษาว่าประวัติความเป็นมาของพระบรมศาสดานั้นน่ะต้องทําความเข้าใจว่าใครคือพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้านั้นที่เข้าถึงความไม่ควรคิดเป็นเช่นไรพระพุทธเจ้านั้นทรงทําประโยชน์เป็นจริงอะไรแล้วก็ทรงแสดงอะไรที่ไม่ทั่วไปแก่สาวกอื่นตรงนี้ก็คือว่าทําความเข้าใจเกี่ยวกัเรื่องของพระบรมศาสดานะถ้าถามตรงนี้ก็คือบอกว่า ภาษารีบุตรนะกล่าวในเรื่องของพุทธคุณกล่าวคือคุณของพระบรมศาสดาไว้บอกว่าพระโพธิสัตว์นั้นนั่งที่โคนต้นสีหมหาโพทรงเผากิเลสคือราคาโทสาโมหะมานาทิฐิวิจิชฌาอาหิริกานุตตะปะอุทะจะกิเลสพร้อมทั้งวาสนาและอนุสัยให้ไหมจนไม่มีเหลือแล้วก็กระทำพยานให้บริสุทธิ์หมดจด เมื่อการทสัพพนิทยาณนห้หมดจดแล้วก็ได้สามารถรู้สิ่งที่พึงรู้ได้สิ้นทั้งสิ้นสว่างสวัยเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าถามว่าก็ในการเป็นพุทธเจ้านี้ที่พระโพธิสัตว์ทรงเป็นพุทธเจ้าอย่างนี้ขันตสันดานเป็นพุทธเจ้าหรือพยานเป็นพระพุทธเจ้าก็ไล่ลำดับได้แต่นี้ใช่รูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าหรือพยานเป็นพระพุทธเจ้ารูปนี้ก็คือส่วนของรูปยี่สิบเจ็ดรูปใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยว้นอิทีภาวะรูปออกว่าอันต่างได้หมหาพุทธรูปและอุปาทายรูปรวมเมเสร็จก็รูปยี่สิบเจ็ดรูปสรุปก็คือว่ารูปอาคารก็คือว่าธาตุดินยี่สิบเนี่ยธาตุน้ำสิบสองธาตุไฟสี่ธาตุลมหก ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจไตตาปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ออไล่ไปตามเจนถึงมันสมองยี่สิบดีสเลตหนองเลือดเหงือมันค้นน้ำตาปเปรียวมันน้ำลายเป็นต้นไปจนถึงมุดต่างคือน้ำอุเจาะน้ำปสัสสาวะเก้สิบสองใช่ไหมสิบสองกับยี่สิบเป็นเท่าไรสามสิบสองใช่ไหมธาตาุไฟสี่ที่อยู่ในกสเตรีระทั้งสิ้นไฟที่ยังกายอบอุน่นไฟที่ยังกายซุดซอมไฟเผาอาหารแล้วก็ไฟที่ทำให้ แกงอมแล้วทำให้เผาจะเตรียมไม่ได้นี่สี่เป็นเท่าไหร่แล้วสามหกแล้วนะไล่ทันเ้ะเพลินไม่ทันแล้วธาตุลมมี6หกใช่ไหมลมพัดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องล่างลมในช่องท้องในลำไส้ลมพัดผันไปตามอวัยวะที่ทำให้กระพริบตาได้พูดได้ยืนได้เดินได้นั่งได้แล้วก็ลมหายใจเขาออกหกไหมรวมเบ็ดเสร็จเป็นเท่าไหร่สี่สิบสองใช่ไหม สรุปก็คือว่าอะไรสิบสองเอไมายาเท่าไรยนะี่สิบสิบสองสี่แล้วก็หกเป็นตัวเลขออกมาเลยสี่สิบสองนี่โกฐาศัสส์อันนี้คือธาตุที่เกี่ยวกันในเรื่องของรู ป, ปรขันใช่พุะเจ้าไหมส่วนเนี้ยหรือเวทนาขันสัญญาสังขานวิญญาณนามขันสี่ ที่นั่งประชุมประทาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันนี้ที่ชมบูเดเวที่อินียใช่ท่านผู้นั้นไหมผู้ได้เจ้าทั้งหมดจะเป็นพู้ไเจ้าเลยหรือพญานหรือสัพพยุตยานเป็นเรืองาสราพนัยานเป็นการเป็นผู้ไเจ้านั้นที่พระโพธิสัตว์ทรงเป็นพู้ไเจ้าในขันธสันดานเป็นผู้ไเจ้าหรือพญานเป็นพู้ไเจ้าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นผู้มีคุณ อะไรเป็นลักษณะอะไรเป็นเครื่องกาหนดทีนี้ถ้าถ้าศึกษาในกรณีอย่างนี้จกักงงไหมแต่ต้องเข้าใจให้ได้นะก่อนนี้จะฉันข้าวหรือทานอาหานี่งั้นก็บอกว่ายังไม่รู้จักพระเจ้าบอกยังกินข้าวไม่ได้ดีไหมกลัวเราจะแอบไปกินตอนเย็นท้าก็เสียเปียบเลยแต <laughs> ่นี้ พยานมีลักษณะแทงตลอดตามสภาวะตามความเป็นจริงพยานของพระบรมศาสดาเนี่ยแทงตลอดตามสภาวะตามความเป็นจริงไหมสัมมาทิฏฐิเป็นต้นที่อยู่ในอรหัตมรคพยานนี่แทงตลอดตามความเป็นจริงใช่ไหมแทงตลอดทุกแทงตลอดทุกขสมุทัยทุกขานิโรธทุกขนิโรธกาบินีปฏิปทาตามความเป็นจริงไหมจริงไม่จริงเอรอบรู้ทุกเลยใช่ไหมลักกิเลสได้ในขณะอรหัตมรคเลยแล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วย แล้วไปชมมาร์กในนั้นได้ด้วยใช่ไหมในอาราตมาร์กนั้นทีนี้ต่อมาก็ได้สัพพัญยุตยานฉะนั้นพยานที่แทงตลอดตามสภาวะตามความเป็นจริงหรือมีลักษณะแทงตลอดอย่างไม่ผิดพลาดดุดการแทงตลอดของลูกศรที่นายขมังธนูยิงออกไปนายขมังธนูคือนักแม่นธนูเนี่ยเขายิงออกไปเนี่ยถ้าแม่นยิงพลาดหรือไม่พลาด ปัญญายานของพระบรมศาสดาที่อบรมมาอย่างยาวไกลพอประชุมในคืนสุดท้ายนั่นแหละที่ใต้ต้นสีมหาโพก็แทงตลอดอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงด้วยสภาวะธรรมตามความเป็นจริงด้วยนั่นคือพยานใช่พยานที่แทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไหมเป็นพระเจ้าหรือขันธสันดานท่านก็ตั้งประเด็นว่าฉะนั้นพยานเหล่านั้นก็มีหน้าที่ส่องขอบเขีต ด, ดุดดวงประทีปปรากฏในที่ไม่หลง ก็คือว่าเหมือนดวงประทีมันก็สว่างจ้าขึ้นในทํานองอย่างนั้นนะก็คือกลุ่มโมหะทั้งหลายก็ถูกละได้โดยสมุเชทาบาหานละได้โดยเด็ดขาดปรากฏโดยไม่หลงดุดคนนำทางพาไปในป่าถามว่าสมาธิขอไปปัญญาที่ในอารัฐมรักนั้นมีสมาธินั่นแหละเป็นประทัย ฐ, ฐานเพราะศิขาสามจะต้องไปชมใน มักใช่ไหมแน่เราจะมัดดุดดวงแก้วมณีล้ำค่าดุดทองคำที่เป่าดีแล้วด้วยประการอย่างนี้ฉะนั้นพยานที่ละโทษพร้อมทั้งวาสนาหมดจดแล้วความแทงตลอดสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือตามความเป็นจริงชื่อว่าลักษณะเห็นไหมพยานที่ไปแทงตลอด สิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือพระเจ้ารู้ทั้งหมดเลยใช่ไหมพยานที่เกิดขึ้นในขณะที่รักิเลสได้พร้อมทั้งวาสนาตามความเชื่อลักษณะพะยานที่กําหนดลักษณะแล้วก็มีพยานที่กําหนดลักษณะนั้นเขาเรียกเครื่องกําหนดลักษณะก็คือคุณเครื่องกําหนดก็คือผู้มีคุณผู้มีคุณเชื่อพระเจ้าแล้วก็พระคุณก็คือคุณของพระเจ้าโดยประการอย่างนี้ตีนี้ก็ต้องถามเลย พยานเป็นพระเจ้าความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นคุณของพระเจ้าอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าโอ้พยานนี่เป็นพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นคุณของพระพุทธเจ้าอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเอาอุปมานะบัณฑิตจะเห็นได้ด้วยการอุปมาพระราชาเสด็จมาเนี่ยถ้าพูดคาว่าพระราชาสเสด็จมาเนี่ยพระราชามาองค์เดียว จะต้องมีไพ่พลมาเยอะไหมมีมาเยอะมีขบวนมามากพอถ้าพระราชาเสด็จเนี่ยไม่ใช่องค์เดียวแล้วต้องพูดถึงกองทัพด้วยยานพหาหนะทั้งปวงด้วยชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์ของพยานบัณฑิตต้องรู้ด้วยพยานนั้นเป็นชื่อของปัญญาใช่ไหมปัญญาในอรรถมรร หรือปัญญาที่เป็นสัพพายุตยานใช่ไหมใชะนั่นคือพยานคือหมหากริยาญาณนะสามประโยชน์เนี่ยก็คือปัญญานี่ยเนี่ถ้าพูดถึงปัญญาเนี่ยต้องพูดถึงเวทนาด้วยไหมเวทนาขันด้วยไหมที่เกิดร่วมกันกันกบปัญญาพูดด้วยพูดถึงสัญญาขันคือการความจํานี้อยู่ในที่ประกอบกับพยานด้ไหมพูดด้วยเมือนกับพยักหน้าเลยแล้วพูดถึงสังขารขันอื่นๆได้ไหม ที่เป็นกลุ่มกุศลทั้งหลายมีศรัทธาอยู่ในนั้นไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิต่ตางๆก็อยู่ในนั้นด้วยพูดถึงจิตตัววิญญาณอาขันก็อยู่ในนั้นไหมสรุปก็คือรูปขันเวทนาเวทนาขันสัญญาสังขานวิญญาณที่ประกอบกับพยานนั้นที่สัมยุทธกับพยานนั้น่ะก็ชื่อว่าเป็นพรธเจ้าด้วยแล้วพยานเหล่านั้นนามขันสี่เหล่านั้นที่มีพยานนําหน้าเหล่านั้น อาศัยการัชกายเป็นไปอยู่ไหมการัชกาลนั้นเชื่อบริสุทธิ์จากกิเลสหรือยังบริสุทธิ์แล้วการัชกาลที่เป็นที่อาศัยของนามธรรมเหล่านั้นอาศัยเป็นที่อาศัยของพยานเหล่านั้นเชื่อบริสุทธิ์เดินไหมบริสุทธิ์ด้วยฉะนั้นพยานของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทำที่ประกอบร่วมกับพยานก็บริสุทธิ์แม้รูปขันของพระโรมศสสาวดา ก็ชื่อว่าขันนั้นบริสุทธิ์แล้วเพราะกระแสนามธรรมของพระบรมศาสตร์กระแสพยานของพระบรมศาสดาที่อาศัยอัหิวาตุของพระองค์เป็นไปนั้นเป็นพยานที่หมดจดจากกิเลสและเครื่องร้อยลัดทั้งหลายขันของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ไหมรูปประขันก็ไม่มีความเศร้าหมองเจือปนเอาอย่างเรานี่นะยามท่านทั้งหลายโกรธสีหน้าท่านทั้งหลายโกรธไหมเปลี่ยนไปไหม เปลี่ยนไปด้วยเกิดความโลภเปลี่ยนไหมเกิดความหลงโอ้โหเปลี่ยนไปใหญ่เลยเกิดอมานะเทศทิวิจิกิจฉ า, าหีริกานอตปะเกิดมหากุศุนดวงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดกระแสจักขูว่ญญญวิญญาณเสือตวิญญาณขานาวิญญาณที่เกิดในกระแสขันหะน้าท่านเปลี่ยนหมดนะ่ะเขาเรียกพวกเราเนี่ยนักเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าตลอดเดี๋ยมากก็เปลี่ยนเป็น ผู้ร้ายบางเป็นคนดีบางใช่ไหมจ๊ะทีนี้อ่อาวอ้าวเราเปลี่ยนบ่อยไหมวันวันหนึง่งทีนี้ถ้าหากว่าโลภะเกิดขึ้นในกระแสะจิต น, นะเป็นเป็นกุศลแล้วอกุศลอกุศลเป็นบาสรึเป็นบุญถ้าโลภะเป็นจิตใช่ไหมแล้วเวทนาสัญญาสังขารที่เกิดร่วมกับโลภะพอเป็นบาปไปด้วยมั้ย ก็บาปทั้งนั้นเลยเกิดในนั้นใช่ไหมรูประขันเสียหายไปด้วยไหมแสดงว่าตอนนั้นในตัวเป็นเป็นอบายศัตร์หรือเป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นอบายแล้วใช่ไหมเนี่ยนามกรขันเป็นอบายแล้วรูประขันเป็นไหมจิตแต่ชโลพลอยเป็นไปด้วยใช่มเอเราก็มองไม่เห็นว่าอบายศัสตร์กำลังนั่งสนในนากับเราใช่ๆๆหมน่าคิดแลยเดี๋ย แต่ที่ไปเจอใครโกรธก็บอกบอกว่ากล้าบอกเขาไหมบอกเดี๋ยวดยวคุณอยู่ก่อนเราไม่กล้าอยู่ใกล้อับใบชะสัดกล้าไหมเพราะจริงๆเป็นไม่เป็นเอนหน้ากระลุนาไหมถ้าในนามปรธรรมาเขาเป็นหมดแล้วรูปประธรรมส่วนหนึ่งเป็นแล้วเหลือแต่กรรมมาชะรูปยึดโยงไว้นิดหน่อยแล้วก็รวังก็คอยคอยรักษาไว้ไม่ขาด ถ้าผวางแปลเปลี่ยนเป็นจุติเขาเป็นอบายจริงๆไหมใเนี้อบายาศัตร์จริงๆเลยทุกษัสตร์ไหมน่ากลัวั้มแล้วชีวิตที่ผ่านมาเราทำความเป็นอบายาศัสตร์เกิดขึ้นในใจเราบ่อยไหมงั้นก็ระวังกันไว้น่ากลัวไหมมันจะขาดอยู่แล้วตรงนี้แหละพระพุทธ เ, เจ้าการุณาพวกเรา กลัวว่าเราเนี่ยจะไปเพ่นพ่านในไบยภูมิพระองค์ก็ประทานกุศลศีลให้ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าการุณาพวกเรากลัวว่าเราเนี่ยจะไปเพ่นพ่านในไบยภูมิพระองค์ก็ประทานกุศลศีลให้ประทานอริยทรัพย์ไว้ว่าเธอเกาะเขาไ ว, าาขาาว้อย่าตกจากศีรขะสาวอย่าตกจากศีลนะ ทีนี้ท่านมีตาดีท่านมองเห็นความเป็นอบายศัสตร์ของเราในปัจจุบันแล้วท่านเห็นแล้วใช่ไหมท่านก็เลยสงสารว่าเออเนี่ยกรุณาเราท่านทั้งหลายก็ประทานกุศลศีลก็รับกุศลศีลพอเรามีกุศลศีลเข้าอยู่ในใจปุ๊บอกุศลก็ไม่เกิดเราก็ได้เป็นอยู่ในไม่ได้เข้าสู่ความเป็นอบายศัสตร์และในขณะนั้นเอดไปกินอาหารเนี่ยกินอย่าง มนุษย์ก็ ก, กินยางอะายได้ไหมจะกินด้วยโลภะทดสอบมุหาีิเป็นไงเนี่ยโอ้น่ากลัวนะพระท่านคิดกันอย่างนี้ถึงร้อนลอนร้เปล่าต้องถามพระท่านเดิท่านก็คิดแค่ น, นี้ร้อนอยู่คิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างเนี้ยร้อนถ้าไม่คิดอย่างนี้ไม่ร้อนหรอกเอาถ้าเราเราเรามีความเข้าใจคําสอนอย่างดีเบ็ดเสร็จเราจะกล้าฟังทำเพื่อให้บาปเกิดไหม ก้าไปก็ไม่กล้าแล้วใช่ไหมเอาถ้าหากเขาบอกว่าโอ้มีคนคนหนึ่งมาฟังทำแล้วตายในขณะฟังก็มีสุขติเป็นไปได้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างเนี้ใช่ไหมในกรณีอย่างนี้ท่านถึงกล่าวบอกว่าเมื่อพระยาณแล่นไปนะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันนั้นอาศัยอาศัยก็ถูกกระทําความบริสุทธิ์นั้นเทียวให้เกิดขึ้น สรุปแล้วก็ น, นั่นแหละพะยานของพระบระมาศาสดาเป็นพระเจ้าแม้นามาขันก็เป็นพระเจ้าแม้รูปขันทั้งหลายนะก็นับสงเคราะห์ให้โดยความเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าไปด้วยฉะนั้นทําไมเราท่านทั้งหลายเวลาเจอพระบระมาศาสดรือกระท่ขาของพระบระมาศาสดามาปฏิสาฐานใที่ต่างๆนั้นก็คือมหาพุทธลูกทําไมเราต้องเคารพเพราะว่ามหาพุทธลูกนี้เคยเป็นที่อาศัยของพระสัพพยุตยานานาวรณญาน า, น า, น า, าอินเตริยาปรโรปริยัติยาน ใช่ไหมอาศยานุทยายานมหากรุณาสมาปัฏิยานยม ก, กับปฏิหาริยานเป็นที่อาศัยของพุทธญาณสิสี่เวนีก่กระทำสิบปดเวสารัชญาณสี่ทศพลรยาณสิบของพระบรมศาสดาอย่างกว้างใหญ่ไพศาลมาแล้วมหากรุณาสมาปัฏิยานของพระ อ, องค์นั้นเคยเพ่นพ่านอยู่ในกระแสใจของพระบรมศาสดาอย่างมากมายหาที่สุดจะขนานับ เราท่านทั้งหลายได้เห็นความบริสุทธิ์แห่งพระธาตุระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดากว่าจะมีพระบรมสารีริกธาตุให้เราสักการแล้วเราบูชาเนี่ยนับมาอย่างยาวไกลอย่างยาวนานกว่าจะมีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกลับนะกว่าที่จะมีพระรูปเนี่ยให้เราแลึกว่าพระบรมศาสดามีพระรูปอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ของเล็กๆเน้น้อยเลยเนะลองเราไปดูที่กัจนิทรศการนี่ต่อไปเราไปดูใหม่ อย่าดูติดแค่กระดาษหรือไม้มองผ่านให้เห็นคุณของพระบรมศาสดาให้ชัดถ้าอย่างนี้ เ, เรียกปัญญาทรรมกิจในการเจาะในการทะลุทะลวงได้จริงๆริงพยานแล่นไปในสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือแม้อารู ป, ปรขันที่สัมพยุตกับพยานก็ย่อมแล่นไปนั้นฉะนั้นเหมือนกันการใช้โัวหารว่าพระพุทธเจ้าจริงใช้ได้โดยความสืบต่อของรูปและ นามที่บริสุทธิ์แม้ทั้งสิ้นใช่ไหมในขณะที่รูปประขันในขณะที่นามปขันของพระบรมศาสดาที่สืบต่อเป็นไปตามลําดับตั้งแต่ตัสสรุอนุตตะสัมมาสัมโพธิยานที่ต้นพระสีมหาโพธิโพธิมณฑลหลังจากนั้นสี่สิบห้าปีเป็นไปตามลําดับความสืบต่อของรูปและรูปเป็นไปตามลําดับนั้นนั้นคือพระบรมศาสดากําลังทํากิจของท่านหลังจากกระแสของ ขันของพระโรมสรัสซาดาดับสเสด็จดับขันทัปริณิาพานแล้วต่อมาโดยรำโดยพระธรรมคําสอนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันตอนนี้กําลังจาริกในการที่ประกาศพระธรรมคำสอนของพระโรมสรัสซาดาโดยผ่านพระไตรปิฎกได้ผ่านท่านผู้รู้ทั้งหลายในการประกาศออกไปเราเห็นไหมว่าพระโรมัสซาดากําลังทํากิจของท่านอยู่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเรียกว่ารู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นพอจะชัดเจนใน พุทธเจ้าหรื อ, อยังเริ่มเห็นคุณใช่ไหมหอเอาอีกรอบไหมถ้าเห็นคุณอย่างนี้เขาจะระลึกได้แล้วเราจักรู้จักพระพุทธเจ้าจริงถ้างั้นจะเจริญพุทธคุณยังไงถ้าไม่รู้จักพุทธเจ้าไม่รู้จักอะไรเป็นคุณอะไรเป็นพุทธเจ้านี่ความสืบต่อของความบริสุทธิ์ของรูปและลูกการที่กระจกเงาใสาสะอาดเป็นเหตุให้เห็นรูป การที่ตะเกียงส่องแสงสว่างจ้าเป็นเหตุประกาศให้ถึงรู้ถึงน้ํามันและไส้เป็นต้นความที่จักรสูประศาสตรเป็นต้นแจ่มใสนั้นแลเป็นเหตุให้จักรคุญญาณเป็นต้นรู้แจ้งรูปอารมณ์แม้ชั้นใดภาวะที่จิตเจรสิกนั้นมียานเป็นประธานไล่มนทินบริสุทธิ์เป็นเหตุให้รู้แจ้งสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือฉะนั้นด้วยประการอย่างนี่เนาะเราถามว่ากระจกนีนะ กระจกเงาเสาใสาสะอาดเนี่ยเป็นเหตุให้เห็นรูปเห็นไหมเป็นเหตุให้เห็นรูปถ้ากระจกใสสะอาดได้ก็เป็นเหตุให้เห็นรูปใช่ไหมเช่นกระจกที่เราขัดอย่างดีแล้วไปอยู่ต่อหน้าก็ชัดใช่ไหมรูปเงาหน้าสัตว์ทั้งหลายหรือของเราท่านหลายก็ก็ก็ ก, ก็สะอาดเอก็ชัดตะเกียงเนะ่ยส่องแสงสว่างจ้านะั้นเน่ะประกาศบอกถึงอะไรใส้กันน้ํามันก็ดีไหมเขาดี สภาพรถที่วิ่งไปแล้วสะดวกนี่นะก็บ่งบอกถึงสภาพของน้ำมนันสภาพของเครื่องทีนี้ก็เหมือนกันถ้าหาความที่จักสุภาสิตเป็นต้นแจ่มใสก็เป็นเหตุให้จกักขูญญาณเป็นต้นรู้แจ้งรูปชั้นใดภาวะที่จิตเจสิกเหล่านั้นเน่ะถามบอกว่าเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณอาศัยพยานข่าวคือสัพพัยุตยานของพระบรมศ า, า, ศาสดานาหน้า พราะพยานนั้นบริสุทธิ์หมดจดจิตเกสิกหรือนามาขันทั้งหลายที่เกิดร่วมกับพยานก็บริสุทธิ์หมดจดอาศัยอยู่ในกัลาฉกายใดกัลาฉกายนั้นก็พลอยหมดจดไว้ด้วยกัลยาฉกายของเราเนี่ยไม่หมดจดนะบางครั้งก็เกิดภาวะของความเครียดภาวะของความโลภโกรดหลงต่างๆมันอาศัยอยู่ในหทัยใช่ไหมเกิดดับเป็นไปอยู่ ก็คอยทําให้สรีระร่างกายของเราเนี่ยไปเปลี่ยนวพาจิตกันยเยอะแยะไป็นตแต่กระแสของพยานของพระรมศาสดาที่แล่นไปวันหนึ่งแล่นมากานี่แล่นไปกระทบกระแสของสัตว์ทั้งหลายนี่ยังมากเลยก็คิดดูว่าสองล้านสี่แสนโกฎสมาบัติที่เป็นไปในส่วนของพระมหากรุณาสมาบัติครึ่งหนึ่งที่เป็นไปส่วนของมหาวชิรญาณอีกครึ่งหนึ่งพระสมาบัติธรรมดานเนี่ อย่างละครึ่งรวมเบ็ดเสร็จก็คือสองล้านสี่แสนโกดสมาบัติอย่างละหนึ่งล้านน่ะหนึ่งล้านสองแสนโกดอย่างละหนึ่งล้านสองแสนโกดสมาบัติเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จก็สองล้านสี่แสนโกดใช่ไหมถามว่าพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องไหมฉะนั้นจิตเจรสิกที่เป็นไปกับพยานก็ทะลุทะลวงไปเลยพยานมันรู้แค่ไหนจิตเจรสิกที่เกิดร่วมพยานก็ไปได้แค่นั้นนั่นแหละคือพระพุทธเจ้า กระแสพยานอาศัยรูปรขันใดเป็นไปอยู่สืบต่อนับความเป็นพระเจ้าก็คือการนับความสืบต่อกันกระแสของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของท่านพุของพระองค์ที่ได้ตัดสิรู้แล้วนี่สมควรเกีก่ยวเวลาเลยนะพอจะรู้จักพระพุทธเจ้าในเดี๋ยวต่อไปก็จะเดินในเรื่องของบา ร, รมีในช่วงบ่าย